อัลลุสซาลฺลัะลัยฮฺวะราะห์มานุรรหฺิมวะบิฮฺนัสตาอิลลาหฺอฺลลอฺลฺลาคุอฺตฺอฺอิลลาบิลลาฮฺน้าลีน่าซิมซัลลัมุอะลัยฺคุมราะห์มัตุลลอฮบรรากตุับความศรีสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺจงประสบได้ทุกท่านนะครับัำดลนะเออในเน้อหาสุรหุตอะลัยฮฺสัลามี่ัลลอฮฺซุบฮานุฮฺอัลตะลาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปติศาสตร ละเอียดและมีบทเรียนที่เราได้รับเนี่มากมายนับตั้งแต่นบีนูฮาร์伊ามกลุ่มชนของท่านนบีฮูดนบีฮูดกับกลุ่มชนอาต์นบีซาเละกับกลุ่มชนฟามูทนบีอิบรอฮิมรวมถึงนบีลูตและนบีชูเอบนบีมูซาอะลัยฮิมุสซาลาตุวาสซลามนี่ย a l l a ได้เล่า เล่าไว้เนื้อหาเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วบอกถึงผลลัพธ์ของการดาวะของบรรดาในบีและรอซูลและบอกถึงกลุ่มชนที่ไม่ยอมเชื่อฟังบรรดาในบีและรอซูลแล้วลอสุบฮานอหัวแต่ยังพูดถึงสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธสาเหตุต่างๆที่ลอสุบะฮานอหัวแต่เราได้เล่าถึงในบีและรอซูลเหล่านั้น ในวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับบทสรุปของเนื้อหาที่อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาได้กล่าวจากบรรดารอซูลเหล่านั้นที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับในช่วงตอนท้ายตั้งแต่อายะที่100ง่งร้จนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยจะศึกษากันสักสามอายะห0 1่0 1แล้วก็102ซึ่งเป็นเนื้อหาสรุปที่อัลลอ์สุบฮานอัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ใน สุร Re ้อ an ์นี้นะครับนั่นคือสุร้อนฮูตอะลาอิสธรรมชาอลล์เราจะศึกษากันแบบสังเขตให้ควรบทเรียนนะครับแล้วก็เออ่ส่วนไหนที่เราสามารถดึงนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เราจะมาเริ่มศึกษากันนะครับชาอลล์อูซบิลลาฮิญะชัติอนอฮยุมผมจะอ่าน3อายะนะ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَائِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَسِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فما ََ أغنَت َْْ عنهم َُْْ آلهتهم َُِ التي يدعون من دون الله من شيء إ ل َ ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبّي وكذلكأخذ ربك إذا أخذ القرا وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ละอัลลอฮฺซุบฮานุฮวาได้กล่าวว่าดังกล่าวนี้หมายถึงเรื่องนี้เนี่ยอายะ ท, ที่100พอดีนะฮะก่อนหน้านี้อัลลอฮได้กล่าวถึงเรื่องเราเลยฮะ น บ, บีมูซาแล้วก็น บ, บีท่านก่อนๆ น, น บ, บีมูซาแล้วก็ฟาโรห์ละวะเจลิกะอุลมะว่าบอกว่ า, วาเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเรื่องราวที่ได้กล่าวถึงทั้งหมดที่มันถูกสรุปมาถูกระบุในอันกุรอานเนี่ยเนื้อหามากมายเป็นอะไรฮะมินเป็นส่วนหนึ่งจากอัมบาอินกุรอข่าวคราวอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองต่างๆกุรอนี่เป็นพระอุจน์ของคาว่ากอริยะ กอรยาตุลกุรอก็คือบรรดาเมืองต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตพี่น้องเราดูสำนวนนะฮะซาดิกะดังกล่าวนี้มินเป็นเพียงส่วนหนึ่งหมายความว่าครับยังมีอีกเที่ยล้อสุบฮานอหัวอะไร ย, ยังไม่ได้เล่ามีอีกมากมายเที่ยล้อยังไม่ได้เล่าแต่ที่เล่านี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นและเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับพวกเราเนี่ยพึงรับทราบตั้งแต่สมัยน บ, บีนัว นบีฮุตนบีซอลเห์นบีลูตนบีชูเอฟนบีมูซาอัลีมุสลัตอวัสลัตเป็นเพียงส่วนหนึ่งอัมบาอินกุรอการที่อัลลอฮ์นำเอาประวัติศาสตร์แบบนี้มาเล่าแล้วก็เราสามารถที่จะพิสูจน์ด้านความเป็นจริงนะฮะหนึ่งก็คือด้านความเป็นจริงที่เราเล่านะหนึ่งคือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่โกหกผล หรือว่าคนต่างๆที่เขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาจะมาแย้งได้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงไม่เคยมีกลุ่มชนเหล่านี้ทั้งที่ท่านนาบีซอลลัลวะซัมเนี่ยแน่นอนว่าท่านเป็นนบีท่านสุดท้ายแล้วไม่ทันกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยแต่นบีนําเอาเรื่องราวเหล่านี้มากล่าวแบบตรงไปตรงมาแต่นั้นเนี่ยนี่เป็นหลักฐานหนึ่งที่มุมมัดอัลกุรอานเนี่ยเป็นความจริงเพราะไม่มีใครกล้ามายืนยันบอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นจริงชาวกุเรชเดิมเนี่ย เขารู้จักกลุ่มชนนึงเช่นมาดายินโซลเเลเมืองของนบีโซลเเลที่เคยอยู่เนี่ยละเราได้ทำลายล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มชนสมุตนะฮะบรรดากรูรชเนะรู้ดีถึงเรื่องราวที่เล่ากันปากต่อปากพี่น้องอาจจะเคยมันอาจจะมีฮะประวัติแบบว่าที่เราเล่ากันมาน่ว่าเกิดสึนามิหรือก่อนหน้านี้อาจจะเกิดพายุนั่นพายุนี่ต่างๆมากมายใช่ฮะหรออือช่วงที่มีไฟไหม้ที่ สันติกาใช่ไหมฮะหรือที่ไหนที่แถวแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่เป็นต้นนะนั่นคือเรื่องราวที่เล่าต่อต่ อ, ตอกันมายังไงมันเป็นเรื่องอะไรอัลลอฮสุบฮานอวดตรินอัลบาอินกุรอเนี่เป็นเรื่องราวต่างๆที่พวกท่านบางเรื่องเนี่ยก็รู้กันแล้วก็เคยได้ยินกันมาอัลลอฮสุบฮานอ้วดาร์นำมาเล่าอย่างละเอียดนี่น ค, นนคือหนึ่งนะฮะและสองการพิสูจน์ว่ากุรานเนี่ยเป็นความจริง นั่นคือเนื้อหาที่อัลลอฮ์เล่าในสุระอนนี้สุรฮุนเนี่ยไม่ขัดแย้งกับเนื้อหาอื่นๆที่อัลลอฮ์เล่าไว้ตำแหน่งอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนบีท่านใดก็ตามมีความสอดคล้องกลมกลืนและเสริมซึ่งกันและกันให้มีความสมบูรณ์มินอัมบาอิลกุรอแสดงว่าการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์สาคัญแล้วทาให้เรารู้ถึงประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ที่จําเป็นพี่น้องฮะบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยเราศึกษาประวัติศาสตร์ถ้าดูนะฮะอัลลอฮ์สุบฮานุเอาใจใส่อย่างไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ได้มีตัวเลขเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์อะไรแล้วเนี่ยอะไรประเทศของเราโลกของเราเนี่ยตัวเลขเยอะเหลือเกินแล้วบทเรียนไม่ค่อยได้ถูกไหมฮะจำก็จําไม่หมดแล้วชื่ออะไรต่างๆมากมายใช่ไหมฮะดงั้นดูอัลลอฮ์สุบฮานุเล่าเล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแบบ จุดที่สําคัญสําคัญบางเรื่องไม่จําเป็นต้องจำนะํำะจดบันทึกก็จบแล้วถูกไหมฮะปีนั้นปีนี้บางทีไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะแต่ในคุรานเนี่ยเนื้อหาเฉพาะที่จําเป็นบริโภคให้บทเรียนชัดเจนและบางทีเรื่องเล่าและเรื่องราวคุรานนะอีกจุดเด่นนึงก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์นี้มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประวัติศาสตร์แต่อย่างใดแตกต่างกับใครครับ แต่ต่างกับบางทีเนี่ยคือเขาทําสงครามกันอะไรกันใช่ไหมฮะฝ่ายชนะเนี่ยเขียนประวัติศาสตร์เอาตัวเองซะดีเลิศเลยฝ่ายแพ้ถูกเขียนก็เป็นผู้ที่เป็นคนแย่เป็นผู้ร้ายไปเลยใช่ไหมฮะแต่นี่ยล้อสุภทานหัวตาเล่าเล่าบนพื้นฐานของอะไรฮะบนพื้นฐานความเป็นจริงพระองค์มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใดแต่เพื่ออะไรฮะประวัติศาสตร์เนี่ยถ้ามันเป็นเป็นความเท็จเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ จะเรียนรู้ทำไมบางทีเพื่อการตะกซุปเพื่อการย t, ึดชาติพันธุ์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์แต่การศึกษาปอดิศาสตร์ในอันอุุรอานเนี่ยเป็นการศึกษากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่ลอได้วางเอาไว้เรื่องของคําบัญชาของลอถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยฮัตเ uh, ตอีเจจะอัมรุณะในอญญายะอะไหละอายะที่ลอบอกนะเมื่อบัญชาของเรามาบัญชาพี่ผมผมเคยนําเสนอกับพี่น้องมีสองบัญชาบัญชาที่ให้มนุษย์เลือกปฏิบัติปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตาม นั่นคือชรีอาร์ขอเลาะให้กับนดบีและเราซุนท่านาต่างๆแต่บัญชานี้ถ้ามนุษย์เลือกปฏิเสธอีกบัญชาหนึ่งจะมาใช่ไหมฮะบัญชาไหนฮะบัญชาที่การลงโทษแบบนี้เลือกได้ไหมฮะเลือกไม่ได้หละนะฮะดังนั้นนี่คือกฎธรรมชาติเนฮะกฎธรรมชาติเที่ยวล้อสุภทานอหัวตละลักําหนดเอาไว้นี่คือประโยชน์ของการศึกษาปรติศาสตร์ไม่ใช่ศึกษาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรือศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพื่ออะไรฮะเพื่อ ทีมันก็ศึกษาเยอะไปก็ไม่ได้มีประโยชน์ข้อมูลในสมัยนี้เป็นข้อมูลท่วมทน้นข้อมูลจำนวนมากแต่มุสลิมมันมดเลยละเรามีเนื้อหาสำคัญที่ต้องเรียนรู้เป็นแก่นข้อมูลที่เราต้องศึกษานเลนยนะไม่เพียงแค่อัลบาอินกุรอร์บอกต่อไปนักุสซูฮูอาเลิกะเราเป็นคนเล่าเราคือใครฮะอัลลอฮ์อัลล์ุบฮานวตาเล่าเล่าเองพี่น้องลองดูนะฮะ ประวัติศาสตร์ถ้าเราฟังจากใครผู้มีประสบการณ์โอ้คนนี้เนี่ยคือเขาคนจากไหนตอนไหนเราเล่ามาประวัติศาสตร์ของมุสลิมในเมืองไทยใครเล่าต้องดูก่อนใครเป็นคนเล่าอ๋อคนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยแล้วไปเก็บข้อมูลอย่างดีอยู่แทบทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ปีนั้นปีนี้เขามาเล่าใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคนที่คือการเล่าเนี่ยนอกจากมีความเกี่ยวเกี่ยวพันกับด้านความจําของคนเล่าแล้วนะฮะ และยังเกี่ยวความจําเพื่ออะไรเพื่อละเอียดถูกไหมฮะความจําเพื่ออะไรฮะเพื่อละเอียดและสองคือมันต้องมีบทเรียนด้วยบางทีก็บางคนมีเทคนิคในการเล่าเนี่ยละเอียดมาเลยแต่ถอดบทเรียนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็มีหรือบางคนถอดบทเรียนเก่งแต่จําอะไรไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่อันกุระเราบอกตอนต้นนะฮะอลิฟลาม อ, อ, อะไรนะในสุรหูษเนี่ยเราบอกตอนต้นว่าอะไรฮะติลกาอายาทุลกิตะอะไรนะฮะ คีบอ <hit> uh ิมัตอายุมมาฟุ un, ิลตมิลล <ims> ัดม uh ิลล ah ัดบ uh ิรอัลลอฮุซ uh um ุบฮานุวะตะบอกคำพิเลมนี้อุปขิมัตอายะทูถูกรอยเรียนอย่างดีอายะเนี่ยถูกรอยเนอย่างดีิมัตอายุมมาฟุิลตและมีรายละเอียดอย่างชัดเจนใช่ไหมฮะถูกร้อยเรียนอย่างดีก็คือมีิกมะและมีรายละเอียดอย่างชัดเจนก็คือ มีเนื้อหาที่มีมีความจําเป็นมนุษย์จะต้องรู้ทั้งหมดเพราะมาจากไทยมินเลดูนฮากีมินผู้มีฮิกม้าฮิกม้านี่คือเกี่ยวกับการเล่าเรื่องแล้วมีบทเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็มินเลฮากีมินคอบีสคอบีสนี่คือผู้ที่มีข้อมูลมากรู้อย่างลึกซึง้งเห็นไหมฮะดังนั้นแสดงว่านาคุซููใครเป็นคนเล่าครับอัลลอฮ์เล่าเราก็ต้องกลับไปดูอัลลอฮ์เล่าแน่นอนเมันเป็นเรื่องที่ น่าสนใจทสุยในุรา์ยูยุอะสา้เาราเราน้ะไรก็อหสนนัเราจะเล่าเล่าอย่างดีที่สุดเอาเราเล่านะฮะเล่าอย่างดีที่สุดและเล่าสิ่งที่จาเป็นจะต้องรู้และมีบทเรียนสอนแทรกเสมอตลอดและพี่น้องดูนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่เราเล่าจานวนมากมายนะฮะหลายเรื่องราว พอเสร็จแล้วเนี่ยมาสรุปให้ดานิกะดังกล่าวนี้มินอัมบาอินกุรอเป็นข่าวคราวของชาวเมืองต่างๆนาคุสซูฮูเอาเราเล่าให้กับใครครับอาไลกะให้กับท่านนบี ม, มุฮัมมัดให้กับเจ้านบี ม, มุฮัมมัดสุล ล, ลัลฮุอะเลีห์วะสฺ ล, ลเป็นยังไงบ้างกับกลุ่มชนนี้บทสรุปเป็นยังไงมินฮะส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งของเมืองเหล่านี้เนี่ย กออิมุนยังคงหลงเหลือร่องรอยอยู่ให้เห็นประจักษ์กับตามิหน้าก่ออิมุนยังมีอย่างเช่นไรมาดาอินซอลและยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรเรือของนบีนวัวเป็นต้นอย่างเช่นอะไรทะเลสาบเดสซีของใครฮะของของนบีรูทอะไรอิสลามต่างๆเหล่านี้บางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นเห็นเพื่ออะไรฮะให้รู้ให้เห็น ว่าการลงโทษขอร้อเนี่ยเป็นจริงวาฮซีดแล้วบางส่วนก็หมดไปเรียบร้อยอย่างเช่นกลุ่มชนอะไรฮะฮซีดนี่ก็คือกะดียะริอาว่ากลุ่มชนชาวเมืองอาร์วชาวกลุ่มอาร์ตอาร์นี่ใครฮะนาบีฮูดอะไรสักหล่ะหมดไปเรียบร้อยนละววาฮซีดบางกลุ่มหลงเหลืออยู่บางกลุ่มไม่หลงเหลือแล้ว นี่คือรายละเอียดที่ลอสซูพาโนนี่คือผ่านไปแล้วกลุ่มพวกนี้มินฮาคออิมุวาฮาซิดบทสรุปใช่ไหมฮะแล้วบอกต่อไปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังไงตักเตือนเราทุกครั้งอ้ยันที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะวามาโอลามนาหุและเราไม่ได้อธรรมต่อพวกเขาที่เราจัดการทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้บนพื้นฐานของความอาธรรมของ Allah อัลลอฮวามายะลิมูรอบบุกอาฮดาพระองค์เนี่ยไม่อธรรมกับใคร ไม่ทำกับใครวันแล้วกินซาลาムอัลฟุสหุมแต่พวกเขาอาธรรมต่อตัวเองเข้าใจคาว่าธรรมไหมครอธรรมนี่คือการไม่ทําดีกับตัวเองอธรรมการไม่ยินดีทำกับตัวเองอาธรรมคือการวางผิดจุดอาธรรมเนี่ยรุ่นมุนตรงข้ามมือคำว่าฮิตมารุนมุนนี่คืออะไรครคือวางไม่ถูกตําแหน่ง ไอ้หตุผล น, นคือการวางอย่างถูกตำแหน่งเอาล้อประทานความเมตตา ม, มาเอาล้อประทานความปวดปานมาเราปฏิเสธหรือว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาเราไม่ได้ปฏิเสธเราศรัทธาบรรดาผู้ปฏิเสธปฏิเสธและไม่ยอมรับความปวดปานขอเอาลาะเอามาใช้อย่างดีอาจทำไหมฮะทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยชอบอยากจะได้รับมากๆ แล้วเราบอกละอินชากัลต um um ุมลาีดานุกุมหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มให้แต่พวกเขาอาธรรมอาธรรมนี่คือปฏิเสธไม่ยอมรับความดีงามจากอัลลอฮอันนี้นี่คืออาธรรมทั้งทั้งที่มนุษย์ต้อ ง, องการอะไรฮะต้องการรับความดีงามจากอัลลอเห็นภาพไหมฮะคือคนที่อัลลอได้ประทานความบดานมาบรรดุทุกคนนได้รับความดานอรฮมนอรฮมใช่หมฮะทุกคนได้รับความบดานหมดแต่คนที่ปฏิเสธเนี่ย นบีละราซูนบอกขอบคุณต่อความกวดบาปเราะจะเพิ่มพูนเอาเราเตรียมสวรรค์ไว้ให้เอาเราเตรียมการตอบแทนที่ดีงามในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าจากประัศสตรที่เราศึกษามาเนี่ยหลายหายท่านนะฮะอย่างเช่น อ, อะไรน ะ, ะจงขออภยัยโทษต่อเราเราจะให้ความปวดบานพืชผลไรนาต่างๆเนี่ยมีความงอกเงยทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมฮ ะ, ะมนุษย์ไม่ชอบความดีงามคือธรรมชาติเนี่ยชอบแต่ปฏิเสธนะฮะปฏิเสธก็คือยิงย่าโส เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากอะไรบางอย่างแต่ว่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีความต้องการดังนั้นก็ถือว่าเป็นการอาธรรมแทนที่จะรับเพิ่มจากอัลลอฮ์แต่กลับได้ไม่ได้รับเพิ่มหรือว่าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปจากตัวเองนะครับว่ามาซาลัมนาหุมตัวแล้วบอกว่าเราไม่ได้อาธรรมพวกเขาแต่พวกเขาเนี่ยอาธรรมต่อตัวเองและก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็ไม่ได้อธรรมอัลลอฮ์อีกอายัดหนึ่งที่เราบอกว่ามาซาลัมนาหุบ วา่ามาซาลาโมนาเวลากินก้านหนูอัลฟุสฮุมยาสุลิุพวกเขาไม่ได้อธรรมต่อเราอัลลอฮ์สุบฮานอว์ตะละแต่ตัวของพวกเขาเองต่างหากที่พวกเขาเนี่ยได้อธรรมนะฮะดันั้นมนุษย์เนี่ยความชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นี่คือมนุษย์อธรรมกระเองทั้งสิน้นอธรรมต่อตัวเองใช่ไหมฮะและอธรรต่อผู้อื่นก็คืออธรรมต่อตัวเองและอธรรต่อผู้อื่นอัลลอฮ์สุบฮานอวต์ตะอยู่เหนือความอธรรม พระองค์เนีได้บัญญัติห้ามตัวของพระองค์เองอาลลอฮ์บอกฮะดิสกุรุศีนะฮะห้ามตัวพระค์ไม่ให้มีการอาธรรมกับปวงบาวงนั้นอาลลอฮ์มีความยุติธรรมแต่มนุษย์เนี่ยความอาธรรมเนี่ยเกิดจากมนุษย์อาธรรมตัวเองแล้วไปอาธรรมผู้อื่นดังนั้นเนี่ยมุสลิมจึงเป็นผู้ที่ต้องพยายามขจัดความอาธรรมอาธรรมนี่คืออย่างที่บอกว่าตรงข้ามกับเพิกมั่นยังไงครอย่างเช่นของของคนอื่นเนี่ยฮะเราไปหยิบมาเป็นของตัวเองเนี่ยทำไหมฮะมันไม่ใช่อยู่ในมือของคุณมันอยู่ในมือของคนนอื่ธร วางไม่ถูกที่ทําอะไรที่มันเกินเลยขอบเขต น, นี่ก็เป็นการอาธรรมเช่นเดียวกันนะครับวมัมาโซลามนาหุมวัล้กินโซลา ม, มูเอาฟุตสะหุเราไม่ได้ทำพวกเขาแล้วก็มนุษย์เนี่ยเป็นออลักษณะหนึ่งที่เราสุบฮานอหวัวตาได้บอกนะเป็นผู้ ท, ที่เป็นผู้ที่อธรรมอินนาหูกะนะซาลูมันจหูละอาธรรมนี่คือมนุษย์แปลกตรงที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกรับความผิดได้ คือเวลาทำความผิดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาความผิดออกจากตัวเองได้เหมือนกับสร้างภาระให้กับตัวเองนฮะนอกจากจะให้อัลลอฮ์เป็นผู้ยกความผิดหรือถอนความผิดของเขาเนี่ยออกไปถึงจะลอดตัวแต่ขณะที่บรรดานบีลอฮ์สูลเนี่ยจะมาคอยตักเตือนบอกว่าขออภัยโทษต่อร้อสิใช่ไหมฮะัลลฮูลจะบอกว่าอิสติก อ, อ, อะไรนะฮะ ฝักุนตุสตัรฟิรูร์บักุมิยาเช่นนบีนวฮาลิสต์อลัลาอฮ์ไบอกอินนหูกายนากอฟาโรขออภัยโทษต่ออัลลอ์สิอัลลอ์เป็นผู้อภัยอย่างมากและมนุษย์ตัวเองเนี่ยคือมีความผิดอยู่แล้วและไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอ์ถูกเรียกร้องเชิญชวอลัลลอฮต้องการให้อภัยกับมนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยลไม่ต้องการไม่ต้องการตัวมนุษย์เห็นภาพฮะนี่คือความาธรรมอธรรมแล้วก็แล้วก็โง่เขลาด้วยเขาอลัลลอ์ไม่ต้องการ การที่มนุษย์จะอิบาราตต่ออโลไม่ได้รับผลประโยชน์การที่มนุษย์ขออภัยโทษอโลไม่ได้รับผลประโยชน์แต่อโลเรียกร้องให้มนุษย์อิบาราตต่ออโลเพราะมนุษย์เองจะได้รับประโยชน์เรียกร้องให้มนุษย์ขออภัยโทษต่ออโลเพราะเนื่องจากมนุษย์มีความจําเป็นมีความต้องการความต้องการดริสแมนรูฟีเคยยกตัวอย่างเรื่องนึงผมว่าเป็นมันเก็ตเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของอะไรเรื่องของอการอิสติงฟาร์เนี่ยท่านได้บอกว่า อิสติฟา้าเป็นเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับการเข้าห้องน้ำอะฮะเอาของเสียเรากินเนี่ยมีของดีก็เป็นเลือดเป็นเนื้อใช่ไหมฮะแล้วของเสียทําไงครับปัสสวะอุชจาระนี่ขับทายออกถูกไหมฮะของดีอ่ะก็เป็นเป็นกำลังเป็นพลังงานไปแต่ของเสียฮะเก็บไหมไหมฮะไม่เก็บมีใครไหมวันหนึ่งไม่เข้าห้องน้ําไม่มีอย่างน้อยไม่หนักก็ต้องเบาต้องเข้าห้องน้ํา ก็เป็นการเอาของเสียออกใช่ไหมฮะแล้วอยู่ได้ยังไงคือคนอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่เก็บปัสสาวะเอาไว้หรือปวดท้องแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันอยู่ไม่ได้ทางการแพทยจะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกับการอิสติงฟาดมนุษย์เนี่ยเป็นอยู่เป็นไม่ได้ไหมฮะคือไปทํางานออกไปข้างนอกถึง อ, อยู่ในบ้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยย่อมมีโอกาสทําความผิดบางทีทําความดีก็มีความผิดใช่ไหมฮะไม่เฉพาะทําความช่วยอย่างนี้เป็นความผิดความในความดีอาจจะ ไมบริสุทธิ์ใจบ้างบางที่อาจจะวอกแวกบ้างท่นละหมาดบางทีอาจจะบกพร่องมันไม่ต้องมีความบกพร่องแสดงว่ามนุษย์มีผิดไหมฮะมีผิดแล้วจะทําไงฮะก็ต้องอิสติกฟาดไม่อิสติกลาดเหมือนกับเก็บเอาไว้ฮะหน้าเขียวคืออยากจะเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วไม่เข้าิดเนื้อผ้าออกใช่ไหมฮะคืออยากจะเข้ามันต้องจะเข้าแต่ไม่รู้ยังไ ง, ไ ม, ง, ไ, ม ไ, มงไม่รู้ห้องน้ำอยู่ไม่รู้คือคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ห้องน้ําอยู่ไหนในแย่แล้วนะฮะ แต่นี่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเข้าห้องน้ำนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถูกไหมฮะคือรู้ว่าจะต้องหาแล้วแหละต้องหาต้องหาห้องน้ําอันนี้ก็คือได้ไม่เจอห้องน้ํานี่ก็แย่แล้วนะแต่นี่บางคนไม่รู้ถ้าถึงขนาดที่คนไม่รู้ว่ามนุษย์ต้องเข้าห้องน้ําด้วยเหรอจะยุ่งมากแต่ไม่มีใช่ไหมฮะคนไม่รู้ว่าตัวเองต้องเข้าห้องน้ําแต่มีคนที่ไม่รู้ว่าต้นตัวเองต้องอิสติฟาร์ เพมีอาธรรมเงมีความผิดเงไม่รู้ว่าตัวเองต้องอิสติกฟัสคือถ้ารู้แล้วเอ้ยมันมันมีความผิดน่ยมนุษย์ที่จะหาพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะต้องหายและใครจะอภัยทนมีไหมฮะใครที่มีนามว่ากอฟัสใครที่มีนามว่ากอฟูรใครที่มีนามว่าอาฟูนให้อภัยแต่ว่าบุญรอฮีมมีไหมฮะไม่มีพระเจ้าอื่นไม่มีนอกจากอัลลอฮ์แต่แล้วมนุษย์เนี่ยถ้าดูตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะ รู้ว่าตัวเองเนี่ยจัลูมันเป็นคนที่อาธรรมเยฮูแล้วเป็นคนที่แคลรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่อาธรรมเนี่ยก็ต้องหาไอ้แลใครในเมื่อเอาแค่นี้เดียวเนี่ยเรามีความผิดไหมฮะมีแล้วใครที่ยกจะยกโทษยกความผิดของเราเนี่ยออกใครเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์มีไหมฮะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ได้เพราะมนุษย์ก็มีความผิดเหมือนกันแล้วใครอะฮะก้อนหินก้อนไหนต้นไม้ต้นใดดวงอาทิตย์ดวงใดไม่มีก็ <S <S ต้องหามีไหมต้องมีสิใช่ไหมฮะ เป็นไปได้งไงที่ไม่มีห้องน้ําถูกไหมฮะธรรมชาติก็ต้องมีห้องน้ํานี่คือคนต้องขับถ่ายธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยแล้วเข้าน้ำแล้วอาจะไม่ไม่มีคนผู้ที่จะดึงเอาความผิดความชั่วอะไรเนี่ยออกไปหรือไม่มีถ้าคนตระหนักว่าตนเองเนี่ยเออมันมีความผิดพลาดก็ต้องหาผู้ที่เป็นพระเจ้าเพื่อชําระสิ่งที่มันสกปรกอะฮะเราขจัดออกไปเองไม่ได้ต้องพึ่งพาลอสุบหานอวัวาตาละแต่เรื่องเนื้อจารุ อารอรมจารมันไม่เพียงพอแค่อาธรรมตัวตัวเองนะเจฮูลไม่รู้คือเอาของเสียเนี่ยมาใส่ตัวเองเนี่ยมากมายแล้วก็ไม่รู้วิธีเอาออกอนี่คือแย่ที่สุดนะครับวามาโลามนาฮุมันล้อบอกเราไม่ได้อาธรรมพวกเขาเวลากินโซะลามูอัลฟุสฮุมแต่พวกเขาเนี่ยอธรรมตัวตวเองอาธรรมนี่คือทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองแม้แต่การทำร้ายคนอื่นนะฮะ ทัศนาถือว่าเป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองไงฮะท่านอับดุลเลาะห์เคยสำเนบอกอุนซุตอาขอกัซอลิมันอามัสลูมจงช่วยเหลือนันบีโมซาอะไสอางนั้นนบีโมซานะในบีโซาเนี่ยตอนที่ท่านไปชกชาวทิปเตี้เสียชีวิตใช่ไหมฮะนในบีบอกว่าไงฮะบอกว่าบอกอัลลอฮ์ ซาลัมตุนัฟซีฟาอฟิรลีฟาบฟารละฉันทำตัวตัวเองเอ้ฉันเราดูสำนวนเอ้เน บ, บีมูซาคือน่าคือดูคน ท, ทั่วไปน่าจะเห็นว่าเอดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอธรรมเขาหรือเปล่าถูกไหมฮะไปทำร้ายเขาแต่น บ, บีมูซาเนี่ยเข้าใจเลยว่านี่คือการอธรรมตัวตเองโอ้ oh Allah ฉันเนี่ยอธรรมตัวซลัมตุนัฟซีทำอธรรมตัวเองไงฮะคือเราอยากเข้าใจว่าการอธรรมนี่คือ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเนี่ยนี่คือเราไปอาธรรมผู้อื่ น, นใช่แต่ก่อนที่เราจะอาธรรมต่อผู้อื่นนะฮะนั่นเท่ากับเราได้อาธรรมต่อตัวเองแล้วก่อนหน้าที่จะอาธรรต่อผู้อื่นเราอาธรรต่อตัวเองแล้วอาธรรมต่อตัวเองยังไงเอ่ยก็คือการที่เราประพฤติหรือว่าแสดงสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยสมมุติเราเราอะไรนะฮะด่าเขาเนี่ยด่าเขาออกไปใช่ไหมฮะ ก่อนที่เสียงเนี่ยจะไปถึงหูเขาเนี่ยมันออกจากปากเรากอ่อนอะไรออกก่อนฮะมันต้องออกจากปากเราก่อนถูกไหมฮะหรือว่าเราเนี่ยจะไปทําร้ายขเขาเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเขาเนี่ยมันออกจากเราก่อนถูกไหมฮะแสดงว่าใครก่อนเราอาธรรตัวเองก่อนที่จะไปทำเขาอ่าดังนั้นท่านอิบราฮิมสโลลันได้บอกฮะดิสบุญอูนซุร อ, อะกอกัฟซอลิมันเอามัลซูมจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านที่เป็นผู้อธรรมและเป็นผู้ที่ถูกอธรรม ซอฟบ้ถามท่านนับีครับคนที่ถูกอธรรมเนี่ยเราช่วยเหลือเขาใช่ไหมฮะมาลูมเราช่วยเหลือเขาแล้วภาษาอะไรกับคนที่ไปอาธรรมเขาเราจะไปช่วยเขาทำไมอ่าเนี่ยมับีจะสอนให้เข้าใจเลยว่ามนุษย์เนี่ยความกะระทำอาธรรมที่ไปอ า, อาธรรมต่อผู้ อ, อื่นเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือการอาธรรมตตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเห็นภาพไหฮะ คือเราอย่าไปคิดว่าเราชนะคนอื่นนะฮะถ้าเราสามารถที่จะล้มเขาได้ฝ่ไยเขาได้หรือไปด่าคอเขาต่างๆเนี่ยนั่นคือเราเนี่ยทำร้ายตัวเองไปก่อนอันดับเรียบร้อยแล้วทําร้ายตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซอฟ้าเลยถามว่าท่านอบียังไงเนี่ยคนที่เขาไปอาธรรมคนอื่นเนี่ยเราไปช่วยเขาทำไมอับดบียร์ยงบอกว่าการที่ท่านยับยั้งความอาธรรมของเขาไ่นแหละคือการช่วยเหลือเขา เพราะอาธรรมเนี่ยออกไปแล้วถ้าสมมติว่ามีอาธรรมตัวเองมีนะแต่ไป่อาธรรมคนอื่นเนี่ยความอาธรรมสมมูงไปชกเขาไปด่าทอเขาความอาธรรมออกไปแล้วเนี่ยมันอาธรรมจากคนนี้ก่อนในกอแล้วไปโดนในขอแสดงว่าในกอเนี่ยอาธรรมในขออะไรโดนอาธรรมมันไม่ดีทั้งคู่มันไม่ใช่ว่าในขอรับสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวในกอเองเนี่ยก็ทําสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมฮะแสดงมันเกิดสิ่งไม่ดีเนี่ยสองฝั่ง ทั้งผู้กระทำและก็ผู้ที่ถูกกระทำศาสนาท่านอบีจลเบจูดคําพูดที่คมมากก็คือจงยับยั้งความอาธรรมจงช่วยเหลืออยาให้มันเกิดความอาธรรมทั้งผู้ที่อธรรมอบดุลเบจอร์ลิมันอุนซุร์คอกับอลิมันอัมาซูลูมาอับดจรูดเริ่มอะไรก่อนนะจอร์ลิมันทํำไมเริ่มซอรลิมันก่อนพอร์มันออกมาจากซอรลิมันอะความอาธรรมมันออกมาจากใครฮะจอรลิมันนบีคือบอกให้ไปยับยั้งก่อนถ้าสมมุติไปช่วยคนที่มาซูลูมันก่อนเป็นไงฮะ มันอาจจะออกมาอีกนะจอลิมันเนี่ยถูกไหมฮะมินจึงบอไปหยุดตรงนั้นก่อนหยุดปิดช่องรั่วอันนี้คือเทคนิคใช่ไหมฮะปิดช่องที่มัน ร, รั่วก่อนแล้วค่อยไปเช็ดน้ําถูกไหมฮะถ้าเราไปเช็ดก่อนเช็ดไปเออก ไ, อไหมว่าอาธรรมก็ยังออกเดมีจึงบอกว่าช่วยพี่น้องท่านเนี่ยจอริมันอุดก่อนสอฟว์ก็เลยเก็ตเข้าใจโอเข้าใจว่าทั้งผู้ที่อาธรรมและผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ยต้องช่วยเหลือเขาเขากาลังอยู่ในสภาพที่แย่ และที่น่าจะแย่กว่าคือคนที่อธรรมนะครับเราจึงบอกว่ามาโซลามนาวะละกินโซลามอัลฟุตซุมตรงนี้จุดสําคัญมากไฮไลท์เนี่ยโซลามอัลฟุตซุมเราเรากำลังอธรรมตัวนตะัเองในการที่เผิดพลาดบางครั้งในทําความดีก็อาธรรมนะครับงั้นเรามันไม่มีไอบาดาใดพี่น้องคิดดูนะครไม่มีไอบาดาใดที่จะทําให้เราขาวสะอาดได้นอกจากอิสติกฟาร์ถูกไหมครับ มันต้องมีบกพร่องสักอย่างละหมาดบกพร่องไหมฮะต้องมีบกพร่องมีใครร้อยเปแบบว่าไม่มีสักอย่างที่ไม่ละหมาดมีบกพร่องถึือศีลอดยังมีต้องมีอะไรฮะมีสการ์ฟิตรถูกไหมฮะมีการทําฮะก็ต้องมีอาจกระทบกระทั่งคนอื่นบ้างบางทีแสดงอารมณ์ไม่ดีออกไปบ้างนะครับอะไรครับอ่านกุรอาต์คือมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดเสมอ แล้วจะใช้อะไระฮะเครื่องมืออะไรถ้าไม่มีสติกฟาสไม่มีการขออภัยโทษต่อร้อนะฮะมันไม่มีอะไรที่จะมาทําให้มนุษย์เป็นเพอร์เฟกได้นอกจากสติกฟาสบางคนคิดว่าการเพอร์เฟกคือการไม่ขออภัยโทษเพราะฉันเพอร์เฟกต์แต่ผิดการเพอร์เฟกคือการสติกฟาสเพราะสติกฟาสนี่คือเครื่องมือเดียวที่ทําให้เราสะอาดอีบารัตอื่นๆสําคัญแน่นอนนะฮะแต่อีบารัตอื่นๆมันจะมีความดีทุกความดีจะมีความผิดเนะี่ยซ่อนอยู่ มันไม่มีใครร้อยเปซ็นลังจะบอกแบบนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าการอิสติกฟะมันจะมาช่วยขุดรอยรั่วแสดงว่าอิสติกฟะคือทําให้เราเนี่ยดีขึ้นทําให้เราสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่แนวคิดที่เราอาจจะเคยคิดมาก่อนว่าโอ้ยอิสติกฟะคือคื อ, ค, อคือคนที่ผิดเหรอแล้นฉันผิดเหรอต้องขอโทษไอ้คำขอโทษเช่นกันน ะ, ะขอโทษคนขอโทษอะไรต่างๆขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถ้าใช่กับ อ, อัลลอฮ์จะขอคนขอโทษแล้วฉันผิดเหรอ คือการขอโทษเนี่ยคือมันทำให้ทำให้เป็นคนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการขออภัยโทษต่อรัสุปฮาห์นฮวตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็สรุปตรงนี้ว่ามาซาเลมนะฮ์ม ولكن زلمو أنفسه فما أذنت عليهم آلياتهم التي يدعون من دون الله من ش م ا جاء أمر ربك โดยพระเจ้าของพวกเขา เราบอกพูดที่พวกเขาเนี่ยทำตัวเองเราไม่ได้ทำพวกเขานะโดยพระเจ้าของพวกเขาที่พวกเขาขออื่นจากอัลลอฮ์ไม่สามารถอื่นัตอันหุมให้ความพอเพียงหรือว่าให้ความช่วยเหลือมินงใช้ใดๆแก่พวกเขาได้ละ ม, มาเมื่อจามร บ, บิก บัญชาของลอร์ด้านการลงโทษเนี่ยได้มาถึงพวกเขาแล้วจากพระเจ้าของเจ้าคือจ้พระเจ้าของท่านนบีมูฮัมมัดสลแล้วได้มาถึงพวกเขาแล้วไม่มีพระเจ้าใดๆของพวกเขาสามารถจะช่วยเหลือได้เมื่อบัญชามาถึงแล้วและถ้าก่อนบัญชามาถึงฮะช่วยเหลือได้ไหมฮะก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไฮะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคืออยู่ในช่วงที่เขามองไม่ออกอ่ะคือเข้าใจว่าจะช่วยเหลือได้ แต่ไอ้สิ่งที่จะมาพิสูจน์เนี่ยคือมันจริงมันก็ช่วยเหลือไม่ได้แต่แรกแล้วใช่ไหมแต่บางทีมันไม่ไม่ชัดแต่ตอนชัดคือตอนไหนฮะตอนที่ล้วมาจะอัลลอฮฺเราไม่ใช่บอกว่าอ๋อเมื่อมาเนี่ยช่วยเหลือไม่ได้แต่ถ้าก่อนนี้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือไม่ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยชัดเจนเมืม่อมาการลงโทษขอรับมาแล้วเนี่ยไม่มีใครนะนอกจากาอไไัลลอฮฺสึนามิมีอะไรไหมฮะสึนามิมาไม่มีใครนอกจากอัลลอฮฺ ดูในสภาพที่มนุษย์อยู่อยู่เนี่ยคือไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากอัลลอฮ์มันจะมาอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะอยู่อะไรฮนะอยู่กลางทะเลอยู่กลางอากาศอยู่ในสภาพที่มันไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากอัลลอฮ์อันนี้ยเราก็บอกในหลายๆสุร้อนเส้นสุรลุกมาเนะี่ยเมื่อพวกเขาอยู่ในกลางทะเลมีคลื่นถาโถมเข้ามาจะจะขออะไรฮนะขอพระเจ้าอื่นนอกจาก Allah. มีไหมครับเวลานั้นไม่มีเวลานนเนี้ยไม่มีนอกจากอัลลอฮ์องเดียว ธรรมชาติของคนยังมีอยู่นะฮะแต่เราก็บอกเวลาที่พระ อ, องค์ได้ให้พวกเขาเนี่ยรอดพ้นจากภัยพิบัติดังกล่าวเนี่ยนะบางคนก็อยู่ปานกลางพอดีบางคนก็ละเมิดต่อตัวเองบางคนก็ตั้งภาคีต่อเราสุบทานหัวตรายนะครับเราจึงบอกพระเจ้าที่พวกเขาเนี่ยวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยฟะมาอักินาจานุนนั่นนี่คือประเด็นเห็นไหมฮะประเด็นเนี่ยนี่คืออาธรรมยิดอินนชิรกราลจุนมุนาลจินการตั้งภาคีต่อเราเป็นอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ เพราะอะไรฮะไปโฟกัสผิดผมบางทีเห็นเห็นก็สงสารพี่น้องที่เขาอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเขาไม่มีผมไม่ใช้คาว่าชีวิตไม่มีกิบลเขาจะขอต่อใครเนี่ยพี่น้องดูเข้าใจคาว่ากิบลหมฮะกิบลนี่คือโอเคเราหมายถึงว่าหันไปทำใบตุลอนเนี่ยใช่นะแต่ชีวิตไม่มีกิบลาเนี่ยคือนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่มันไม่มีกิบลาเห็นหมฮะมันจะไปไปหมด แต่ของเราเนี่ยชัดเจนมีทางเดียวมีอัลลอฮ์สุบฮานูตะละองค์เดียวและชีวิตนี้ชัดเจนไปหาอัลลอฮ์ไม่ได้ไปหาไม่ได้กลับแล้วฉันตายแล้วต้องไปอยู่กับต้นไม้ต้นนี้มีไหมฮะไม่หรือต้องให้ก้อนหินก้อนนี้สอบสวนหรือจะตอบแทนความดีความชั่นมันไม่ใช่ดังนัคนคือน่าสงสารคนไม่ได้รู้จักพระเจ้าคืออัลลอฮ์สุบฮานะหนะัวตะาลนเขาก็จะต้องทั้งทั้งที่มีความต้องการนะ เราจึงบอกว่าไม่ให้ประโยชน์อันใดพระเจ้าที่พวกเขาบรรดาพระเจ้าเยเดียวนาะมินดูนิ่แล้วอื่นจาระร้อนที่ขอเรียกร้องวิงวอนคาว่ายเดียวเนะ่ยเรียกเรียกพระเจ้านั้นพระเจ้านี้เนะี่ยไม่ให้ประโยชน์ใดๆนะเมื่อบัญชาขอร้อนเนี่ยพระเจ้าของเจ้าเนี่ยมาถึงวามาเซดูหุมและพระเจ้าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากย่อยรสบีบนอกจากการขัดทุนมีส่สำนวนพี่บอกว่าลึกซึ้นะ ไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากการขัดทุนและการทุนมันจะเพิ่มหรือลดฮะอ่าคือพวกเขาในต้องการขอเพิ่ ม, มคือขาดทุนขาดทุนมันลดแต่ว่าพวกเขากำลังขอเพิ่มกันเราบอกได้ไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากอะไรฮะนอกจากการขัดทุนโอ้โหนี่คือแปล ว, ว่ามีความความสวยงามของอายัดนะครับสุพราณหรแล้วก็อายัดที่ร้อยสองเราก็สรุปและนี่คือการลงโทนก่อนหรอ ว่ะดังกล่าวนี้และดังกล่าวนี้และเช่นนี้แหละดังกล่าวนี้ที่เห็นที่เราเล่าเรื่องมาเนี่ยไม่ต้องเห็นกับตาแต่ก็รู้ว่ามีเสียงกำปนาเ อ, อ่อฟาโรสมองฟาโ ร, า โ, รโดน้ําท่วมทั้งหมดนี้เนี่ยเ อ, อ่อกลุ่มชนนบีรุษที่เรายกไปบนท้องฟ้าแล้วก็พลิกแผ่นดินกลับมาแล้วก็ส่งอะไรนะฮะฮิยาโรตมินซิจิลินมันบูตมูซวัมาตันอเนอรับส่งหินมามาจากท้องฟ้านี่กระนาลงมากาตาริกะ เช่นเนี้ยทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนั่นคืออัคดูรบิกะคือการจัด ก, การขอมาอัคดูนี้มาจากคาว่าอะไรครับการเอาคืนอ่ขดานี้แปลว่าเอาคืนเอาเอาตรงข้ามก็คืออาตตออัตอนี้ให้เดี๋ยวดูดูคําสวยนะให้แล้วก็เอานี่คือตรงข้าม คืออธิบายถ้าเป็นคำเนี่ยมันจะได้เห็นใ น, นภาษาอ раб นี้ไปว่าอัคดุเนี่ยเวลาจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการฆ่าชีวิตฆ่าชีวิตหรือในที่นี้เขาแปลว่าการลงโทษแต่ผมว่าแปลแบบภาษาอรับเนี่ยดีที่สุดอ้าวเาเนี่ยอัคดุนอัคดุนอัคแปลว่าการเอาคืนเอาคืนนี่คือให้แล้วไม่ไม่เอาฮะคือเราสุบฮานอุวาตาให้ทุกอย่างเอาต่อคุณและเชินคนก่อหูใช่ไหมฮะ อัลล์เนี่ยให้ทุกอย่างอ้าเราพูดเลยใช่ไให้ทุกอย่างกับมนุษย์กับสิ่งที่อัลลอ์สร้างแล้วก็ในราคุณอ่ะไม่เอาใช่ไหมก็อัลละ์ก็เอาคืนเห็นไหมฮะวกาซอร์เลยก็เอาบบิกะแล้วเวลาเอาคืนไม่เหมือนให้ถูกไหมฮะเวลาให้แล้วอัลละ์ให้แบบดีๆอะฮะให้แบบดีๆเพราะเนื่องจากอะไรฮะอัลลอฮ์เมตตามนุษย์ให้เนี่ยให้สุบฮาัลลอฮ์อา็รับบกุกะวกซลอั อัรบิกาแต่อัลลอฮ์เอาคืนแล้วเนี่ยอักดูรบิกนี่คือการจัดการเอาคื น, นเอาคืนทั้งหมดเลยฮะเอาคืนอัคดูรบิกาอีซ่าข้อดันคุรอเมื่ออัลล์เอาเอาเมืองคืนนะผมแปลแบบว่าแปลแปลเป็นภาษาอับเป็นอับนะฮะเอาคืนแต่จริงๆก็คื อ, เ, อเมื่อลงโทษหมู่บ้านอา่ะลงโทษหมู่บ้านก็จะเป็นความหมายหนึ่งแต่ผมว่าแปลเป็นแบบว่าอ่ะข้าเนี่ยเอาคืนมันดูว่ามันดูเข้าใจเนี่ยมันขออัลลอฮะแล้วคุณปฏิเสธใช่ไหมว่ามาจากอัลลอ์ แล้วเราเอาคืนเนี่ยถ้าเราเข้าใจความหมายภาษาอัหรัษเนี่ยคืออ้าวตอนนี้คือให้เมื่อกี้ที่บอกนะ้าวโคนนี่คือเอาในถ้าใครเรียนภาษาอังกฤเนี่ยพอจะรู้มันคาตรงกันข้ามนะฮะให้แล้วอะลอีซาอ้าวโคกูรอเมื่อเราเอาเมืองเมืองนี้ใครมาจากไหนฮะเราให้แล้วเราจะเอาคืนคุณปฏิเสธอัลล์ใช่ไหมอัลลอ์เราเอาคืนอคกูรอวะฮยอริมในสภาพที่เมืองเหล่านั้นหรือชาวเมืองเหล่านั้นเนี่ยอาธรรมอาธรรมคือไม่ยอมรับว่ามาจากอัลลอ์ แล้วเราก็ให้รู้ว่ามาจากใครดูว่าตอนเล่าคืนนะนะอูซูบิไลเป็นตัวเนี้ยว่าเหี้ยร้อลีมาแล้วเราก็บอกอินนะคือตะหูตะเล่าคืนนะฮะคือปกติอาร้อไม่ต้องการเอาคืนพี่ลองเข้าใจไหฮะอาร้อไม่ต้องการเอาคืนอาร้อนจะเพิ่มให้ตลอดที่บายมิโนกยิมเนี่ยได้บอกผ ว, ว่าสวยงามมากในหนังสืออันฟัวเอ็นผมแปลมานะฮะมันมีสามส่วนแต่แปลมาได้แค่เล่มเดียวหนังสือดีมากเดี๋ยวมิกยิมบอกอาร้อเนี่ยให้ตลอดดูยังไงฮะมนุษย์อยู่ ศูนย์ใช่ไหมฮะเกิดก่ อ, อนเกิดเนี่ยเราเราบอกในสุรธรรมในสุรเอตอินสนันกันฮะอาจารย์อินซันเนี้นุมมิน ด, ดาฮารลัมยาคุนชัยอันมัดกูรอมีไหมช่วงเวลาหนึ่งผ่านมาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยลัมยาคุนชัยอันมัดกูรอเขาไม่ได้เป็นส่วนใดไม่ได้เป็นสิ่งใดที่ถูกกล่าวถึงเลยเราทบทวนชีวิตเราเองมีไหมฮะช่วงหนึ่งที่เราไม่เคยถูกกล่าวถึงในโลกนี้เลยมีไหมฮะมีก็ก่อนแล้วเกิดเนี่ย ไม่มีใครรู้จักมาก่อนเลยพ่อแม่ไม่รู้จักเพื่อนไม่ต้องพูดถึงลูกไม่ลูกไม่ต้องูอย่างไม่เคยไม่มีใครรู้จักมาก่อนเลยมีไหมช่วงเวลานี้มีไหมฮะมันก็ต้องตอบว่ามีครับมีแน่นอนอันนี้เราเป็นใครในยอยู่ดีเครื่องล้อมีมาตั้งแต่ก่อนเลยแล้วเราพอเราเกิดมาไม่กี่วันผมใช้คาว่าแม้แต่อายุมากแต่ก็คือไม่กี่วันแล้วเราบอกล้ไม่มีเอ้อ คุณเคยไม่มีมากกว่าแล้นมาบอกว่ารอสุภาพนาวะแต่เราเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งตัดสินอะไรรวดเร็วเพิ่งมาอยู่โลกนี้ใหม่ๆใจเย็นภาษารับอิสตันนีช่วยคือใจเย็นนิดนึงพิจารณาให้ดีก่อนผมเข้าไปมหาวิทยาลัยบอกว่าอะไรนะฮะถ้าไม่มีอธิการบดีคุณใจเย็นคุณเพิ่งเป็นเฟรชชี่เพิ่งมาปีหนึ่งใจเย็นก่อนค่อยๆศึกษาไปเรียนรู้อะไรแบบนี้นะฮะอีมัยมิโนก็ยินบอกว่ามนุษย์เนี่ยศูนย์ศูนย์ใช่ไหมฮะ เวลาเร า, าให้นะให้มีแต่เพิ่มยกเว้นมนุษย์จะปฏิเสธอยู่ในท้องเนี่ยช่องทางในการบริโภคอาหารเนี่ยกี่ช่องทางฮนะช่องทางเดียวมีน้ำเขียวนะฮะไม่มีน้ำแป๊เปิลโซดาไม่มีนะฮะมีอะไรฮนะมีแค่ใส่เสื้อยอย่างเดียวช่องทางเดียวไม่มีอาหารหลากหลายนะฮะคือแม่ต้องกินมาแม่กินหลากหลายใช่แต่กินช่องทางเดียวคลอดออกมาแล้ว ต้องตัดใส่สะดือไหมฮะต้องตัดแต่ไม่มีใครในสักคนนี่ผมไม่เคยเห็นนะว่าเขากลัวว่าถ้าตัดแล้วเนี่ยอาหารจะหมดหรือเปล่าพออาหาร<า>นี่ทางการแพทย์บอกว่าอาหารจากใส่สะดือใช่ไหมข้อเรามาได้ตัดไม่ตัดลังเลไหมฮะไม่ลังเลา ม, มาแน่นอนทิสกีไม่จากทางนี้มันมีทางอื่นนะฮะเห็นไหมฮะมันคืออร่อยอย่ะคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยแล้วจากหนึ่งเป็นสองเขาบอกว่าเป็นเต้านมของแม่เนี่ยอันนี้ให้หนึ่งนะหนึ่งจากใส่สะดือนะตอนนี้เป็นสองดื่มน้ำนมของแม่ จากสองเป็นเท่าไหร่ฮะช่วง ถ, งถึงเวลาหย่านมมีแม่คนใดบอกลังเลเดี๋ยวลูกจะไม่มีอะไรกินมีไหมฮะอย่างเมื่อกี้บอกว่าจากสองเนี่ยหย่านมนะเป็นแล้วเป็นสี่สี่นี่อะไรฮะน้ํากับนมเนื้อสัตว์กับพืชสี่อย่างใช่ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในสี่พอถูกตัดขาดดื่มนมจบใช่ไหมฮะหย่านมแล้วเนี่ยกลายเป็นสี่จากสี่แล้วอ่ากลายเป็นอะไรฮะ มันนี่คืองจาก4ี่แล้วมันก็ต้องคูณเห็นไหมฮะเมื่อกี้คูณมาตลอดจาก1เป็น2จาก2เป็น4ี่จาก4ี่เป็นอะไรเป็น8ปดแล้วแอะไรฮะ8นี่คือประตูสวรรค์มี8บานดังนั้นจะก้าวไปสู่โลกหน้าเนี่ยคือเราจะให้เพิ่มมันเราจะไม่เอาลดน่ยจะให้ดีตลอดก็อยู่ในท้องก็กินช่องทางเดียวออกมาดื่มนมแม่2ช่องทางแล้วก็รือยานมเสร็จมี4ี่ช่องทางแล้วก็จะตายจากโลกนี้ไปมีกี่ช่องทางฮะมี8ประตูเข้าสวรรค์ของอแล้วแต่ประเด็นคืออะไรฮะจะรับหรือไม่รับ ดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกกับพี่นะว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะเอาอะไรจากเราแต่อลัลลอ์ต้องการที่จะให้แต่ทดสอบดู ว, ว่าเหมาะสมไหมคุณจะเอาไหมเท่านั้นเองคุณจะเอาไหมจะเอาสวรรค์ของอัลล์สุบฮานุฮตาล ห, หรือเปล่านี่เป็นการตักเตือนพวกเราคนทุกคนนะฮะแต่ถ้าไม่เอาเราก็เอาคืนน ะ, ะถ้าไม่เอาอัลลอฮ์สุบฮานุว่ากะแดลิกะอัคตุรับบิกะอิดะคบาันกุรอดังกล่าวนี้นั่นคือการเอาคืนของอัลลอฮ์ของพระเจ้าของเจ้าอิดะหคบาันกุรอเมื่ออัลลอฮ์เอา เมืองคืนไปไวเฮียโซอลิมัโดยที่เขาเนี่ยเมืองนี้ก็คือเมืองอะไรโซลิมันมันคือชาวเมืองอาธรรมอาธรรมคืนไม่ปฏิเสธไม่รับความดีจากอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ก็เอาคืนถูกไหมฮะมันก็คือตักกะง่ายๆไม่รับความดีจากอัลลอฮ์อลลอฮ์เอาคืนแล้วเอาคืนคือไม่ใช่ว่าเอาคืนเฉพาะคุณปฏิเสธไม่เชื่อในโลกหน้าแล้วเราจะเอาคืนโลกนั้นไหมเพราะโลกหน้าของอัลลอฮ์และโลกนี้ก็ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาโลกนี้ไปก่อนและโลกหน้าก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อินอาคเซหูแต่การนี่ตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งอัลลอฮุบะฮานอหัวตาลาบอกการเอาคืนของเราไม่เหมือนการให้ที่บอกนะแต่การเอาคืนอินอาคเซหูอัลีมุลชาดีตการเอาคืนของอัลลอฮ์เนี่ยอัลีมจะปวดอย่างรุนแรงเหมือนกับผมไม่ไม่ไมอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบที่มันอย่างนั้นนะฮะคือตอนตอนฟันขึ้นเนี่ยปวดไหมฮะตอนถอนฟันอะไรเงี้ยนะฮะ والله ไม่สรุปแวคืออลัลลอฮ์อินนักตะฮุคันเอาคืนของอัลลอฮหรือการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยอัลีมุนชดีดเป็นการเอาคืนการลงโทษที่เจ็บปวดแล้วก็รุนแรงนะครับท่านละในเดือนหน้าท่านละเราจะมาศึกษากันต่อนะครับในที่หนึ่งร้อยสามจนไปก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับหวังว่ า, าจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่ท่านละสุบฮานหัวตาได้สอน จะบอกกับพวกเรานะครับสามอายัดพี่น้องน่าจะนําเอากลับไปทบทวนนะครว่า เ, เรื่องราวต่างๆนี้คือเวลาวันสรุปนะแล้วก็สรุปทั้สนสรงสามอายัดนี่คือผมว่าไม่มีใครสรุปไ ม, ไม่ใช่ไม่มีใครสรุปได้แบบนี้สรุปแบบสั้นๆเนื้อๆเน้นๆแล้วก็นําออกไปใช้ได้เลยมินอัมบายผมอ่านอีกทีนะเาลิกามินอัมบายกุรอห์ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องราวของชาวเมืองที่เราได้เล่าให้แก่เจ้าฟังเราได้เล่าเรื่องราวนี้ให้แก่เจ้าท่า น, นอับดุลส และเป็นยังไงครับสรุปแค่ น, นี้ยมินฮากออิมูฮัซิดบางเมืองก็หลงเหลืออยู่บางเมืองก็สิ้นซากไปที่เรียบร้อยแล้ววอมาโซลามนาหุมโดยนี่กลับไปหาการกระทําของเราเราไม่ได้ทําพวกเขาแต่พวกเขาอทําตั ว, ต, วตัวเองแล้วกลับไปอีกอีกเขาเรียกวอีกอีกตัวละครนึงที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ช่วยเหลือไม่ได้พระเจ้าของพวกเขาที่พวกเขาเคยขอไม่เคยไม่ได้ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือใดใได้เมื่อบัญชาข อ, อร้องมาและมันไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากเพิ่มการขัดทุนให้อย่างเดียวนะฮะ และนี่คือการจัดการขอร้อนการเอาคืนขอร้อนจากสิ่งที่เราเคยให้มาเมื่อเอา้เอาคืนเอาเมงินต่างๆคืนเนี่ยในสภาพที่เขาอาจทำเพราะเาเอาล้อไม่ได้อาทำนฮะและการเอาคืนขอร้อนเนี่ยได้เจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับขอฝากกับพี่น้อง่เป็นเท่านี้ครับบรัลนบีมุฮัมมัดอาลฮิมบิะัลลัมะสลมุละลลอฮะ